และพระองค์ก็ทรงทำให้ดูเป็นตัวอย่างอาวโุโสตราบใดที่บุคคลยังพอใจด้วยคำสรรเสริญเขาย่อมยังต้องหวั่นไหวเพราะถูกนินทาด่เป็นกฎที่แน่นอนพระทากัเจ้าทรงทำพระมนตรให้เป็นเช่นแผ่นดินหนักแน่นและไม่ยินดียินร้ายว่าใครจะไ ป, ปลปรยปลายดอกไม้ลงไปหรือว่าใครจะทิ้งเศษขยะปฏิกูลอย่างไรลงไป ข้าพเจ้าเองนั้นสุดที่จะทนได้จึงกราบทูลพระองค์ว่าพระองค์ผู้เจริญอย่าอยู่ที่นี่เลยคนเขาด่ามากเหลือเกินจะไปไหน อ, อ น, นุนพระาศาสดาตรัสมีแววแห่งความเด็ดเดี่ยวฉายออกมาทางพระเนรและสีพระพักปเมืองอื่นเถิดพระเจ้าข่าสาวัตถีราชคลึกสาเกต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 ไม่ให้มีคนรักคนชางนั้นเห็นจะไม่ได้เรื่องเกิดขึ้นในที่ใดควรให้สงบระ ง, งับลงระที่นั้นเสียก่อนแล้วจึงค่อยไปอานอน์เรื่องที่เกิดขึ้นแก่ตถาคตนั้นจะไม่ยืดยาวเกินเจวันคือจะต้องระ ง, งับภายในเจดวันเท่านั้นแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อไปว่าอานอนท์เราจะอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นเหมือนช้างศึกก้าวลงสู่สงคราม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 ม้าอาสเดรม้าสินทพพญาช้างตระกูลมหานาคที่ได้รับฝึกแล้วจัดเป็นสัตว์อาชาในสัตว์อาชาในเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแต่ว่าคนที่ฝึกตนดีแล้วประเสริฐกว่าสัตว์เหล่านั้นดูก่อนอ น, นุ์ผู้ที่อดทนต่อคำล่วงเกินของผู้ที่สูงกว่าก็เพราะความกลัวอดทนต่อคำร่วงเกินของผู้เธอเสมอการขอบราอเห็นว่าพอสู้กันได้ แต่ถ้าผู้ใดอดทนต่อคํามล่งเกินของผู้ที่ด้อยกว่าตนเราเรียกความอดทนนั้นว่าสูงสุดผู้มีความอดทนมีเมตตาย่อมเป็นผู้มีลาภมียศเป็นสุขเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเปิดประตูแห่งความสุขความสงบได้โดยง่ายสามารถขุดมูลแห่งการทะเลาะวิวาสได้คุณธรรมทั้งมวลมีศีลสมาธิเป็นต้น ย่อมเจริญงอกงามแก่ผู้มีความอดทนทั้งสิ้น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 ย่อมไม่หวั่นไหวเพราะคำดินทาและสันเสริญฉะนั้นในพระดำรัสของพระาศาสดาในตอนต้นท่านคงจำได้ว่าพระองค์ตรัสถึงม้าอสเดอรม้าสินทบและสัตว์อาชาในรวมทั้งพญาช้างตระกูลมหานาคข้าพระเจ้าขอไขความเรื่องนี้สักเล็กน้อยม้าอสเดอรนั้นคือสัตว์ผสมระหว่างม้าและลาคือแม่มา้าพ่อลา ลูกออกมาจึงได้ลักษณะที่ดีเยี่ยมคือได้ลักษณะที่เร็วจากแม่และได้ลักษณะที่ทนทานจากพ่อมาเป็นสัตว์ที่มีฟีท้าเร็วมากจนได้นามอีกนามหนึ่งว่ามโนใหม่หมายความว่าสาเร็จดังใจส่วนลานั้นทนทานมากในการที่จะรับภาระนำภาระหนักปีนขึ้นที่โคลกชันก็เก่งเมื่อลักษณะทั้งสองประการนี้มารวมกันเข้า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 แบรรดาอาชานัยด้วยกันมนุษย์อาชาในหรือคนอาชาในประเสริฐที่สุดเพราะเหตุนี้พระธถาคตเจ้าจึงจัดว่าบรรดามนุษย์ด้วยกันคนที่ฝึกตนแล้วประเสริฐที่สุดคําว่าฝึกตนนั้นหมายถึงฝึกจิตของตอนให้ดีงามรับได้ทนได้แม้ในภาวะที่คนทั่วไปรู้สึกว่าไม่น่าจะทนได้การฝึกจิตคือเหมือนการยกน้ําหนัก ต้องคอยทำค่อยไปเมื่อได้ที่แล้วจิตก็เป็นจิตที่ทนทานและมีอภินิหารเป็นอัศจรรย์ยิ่งนางมาคันธียาเป็นมเหสีรองของพระเจ้าอุเทนพระมเหสีใหญ่คือพระนางสามาวดีพุทธสาวิกาเลื่อมใสในพระตถามกฏเจ้ามากเมื่อพระนางมาคันธียากลั่นแกล้งพระศาสดาไม่สมประสงค์ก็หันมาริษยาหาโทษในพระนางสามาวดี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 พระนางมาคันธยาจบชีวิตลงด้วยเรื่องที่พระนางก่อขึ้นเองดูกนพระราดาการคิดประทุษร้ายต่อผู้ที่ไม่ประทุษร้ายผู้บริสุทธิ์ย่อมเป็นเสมือนการถมน้าลายรถฟ้าหรือการปาทุลีท่วลมผู้กระทาย่อมได้รับโทษเองดูก่อนท่านผู้แสวงหามรกคาแห่งอมะตะพระอนน์กล่าวต่อไป พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสาราญพระอิริยาบถอยู่ณโกสัมพีตามพระอัยาศิยพอสมควรแล้วก็เสดจจาริกไปสู่คามาริกมชนบท ร, ราชธานีน้อยใหญ่เพื่อโปรดเวณยสัตว์ผู้พอจะแนะนำได้ให้ดำรงอยู่ในกุศลระบทจนกระทั่งหวนกลับไปประทับณนะกรุงสาวัตถี ร, ราชธานีแห่งแคว้นโกศลอันเป็นดินแดนแถบเชิงเขาหิมาลัย ความจริงพระพุทธองค์ประทับอยู่น้ากรุงสาวัตถีเป็นเวลาหลายปีที่สุดคือถึง25บพรรษาแต่ทางนี้ไม่ได้หมายความว่าประทับอยู่รวดเดียวย5บพรรษาพระองค์เสด็จไปๆม า, มาแต่เมื่อกิดรวมแล้วได้25ปีพอดีคือประทับอยู่น้าปุพารามของนาวิสาขาหปีและประทับณวัดเชตวันอารามของท่านอนาถปิณติกิปี อันว่าพระนครสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลนี้ตั้งอยู่ทางทิศเหนือแห่งแคว้นกาสีมีอนาเขตไปจนถึงหิมาลัยบรรพสมีแคว้นสกะอยู่ทางทิศเหนือโกริยะอยู่ทางทิศ ต, ตะวันออกแคว้นโกศลซึ่งมีสาวัตถีเป็นราชธานีนี้เป็นอาณาจักรยิ่งใหญ่คู่แข่งกับแคว้นมคตโกศนมีเมืองสําคัญอยู่สามเมืองคือเมืองสาวัตถี เมืองอโยธยาซึ่งตั้งอยู่บนแม่น้ําสรายุเป็นเมืองสําคัญมาก่อนตั้งแต่สมัยพระพุทธองค์ต่อมาถูกรวมเข้ากับโกศลส่วนอีกเมืองหนึ่งคือเมืองสาเกตยอยู่ใกล้กับอโยธยาเจริญขึ้นเวลาเดียวกับที่อโยธยาเสื่อมลงจึงคล้ายกับว่าเป็นเมืองแทนเมืองอโยธยาสาเกตมีความสําคัญสหรับโกศลมากเป็นเมืองที่บิดาแห่งวิสาขามหาอุบาสิกา ซึ่งข้าพเจ้าจะขอเล่าให้ท่านฟังในภายหลังระหว่างสาว ธ, ธีถึงสาเกตมีรถด่วนเดินทางวันเดียวถึงรถด่วนที่ว่านี่คือรถเทียมมาตั้งสถานีไว้เจ็ดแห่งพอถึงสถานีหนึ่งก็เปลี่ยนมาครั้งหนึ่งมาชุดหนึ่งวิ่งเป็นระยะทางกว่ากึ่งโย์เล็กน้อยแปลว่าต้องเปลี่ยนมาถึงเจ็ดครั้งเรื่องนี้เอง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 ยังไม่ได้มีไดมิตะกะนามอันไพเราะอย่างนี้เลยเรื่องเป็นดังนี้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 จนไม่มีโอกาสได้สนทนากับอคันตุกะอนาถปินฑิกะประหลาดใจจึงถามว่าสหายครั้งก่อนๆเมื่อข้าพเจ้ามาท่านกวีกระวาดต้อนรับอย่างดียิ่งสนทนาปลาศัยเป็นที่บรรเทิงจิตตามฐานามิตรอันเป็นที่รักกันทนละงานอื่นๆไว้สิ้นเชิงมาต้อนรับข้าพเจ้าแต่ว่ามาคราวนี้ทธนละข้าพเจ้าและสั่งงานอยู่ ท่านมีงานอาวาหักวิวาหามงคลหรือว่าพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนาแห่งแพทย์มคตจะเสด็จมาเสวยที่บ้านของท่านในวันพรุ่งหรืออย่างไรสหายีเศรษฐีกรุงราชคลื่ตอบอภัยข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะไม่สนใจยายดีในการมาของท่านก็หาไม่ได้ท่านก็คงทราบอยู่แก่ใจว่าข้าพเจ้านั้นมีความรักในท่านอย่างไร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 และมีพระไทยเบิกบานด้วยพระมหากรุณาตัวมวลสัตว์เป็นผู้หักราคะโทสะและโมหะพร้อมทั้งบาปธรรม ท, ทั้งมวลแล้วเทจาริกสั่งสอนเวนยสัตว์สแสดงธรรมอันไพเราะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดสงประกาศพรหมจรรันทร์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเต็มบริบูรณ์ทั้งหัวข้อและความหมายสหายท่านไม่ทราบการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าหลกหรือ ดูกนพระดาคำว่าพุโทโธนั้นเป็นคำที่ก่อความตื่นเต้นให้แกอนาถปิณฑิกศเษตียยิ่งนักอุปมาเหมือนคนที่เป็นโรคซึ่งทรมานมานานปีเมื่อทราบว่ามีหมอดีสามารถจะบำบัดโรคนั้นได้จะดีใจสักปานใดดังนั้นอนาถปินฑิกะจึงกล่าวว่าสหายข่าอาหารสำหรับเลี้ยงพระพุทธเจ้าและพิสุสงพวกนี้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 ข้าพเจ้ายังปราถนาน้อยกว่าการได้เลี้ยงพระพุทธเจ้าเจ็ดวันนี้เป็นวันของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้ใครเป็นอันขาดเมื่อนาถปิณฑิกาวิงวอนว่าขอออกค่าใช้จ่ายสักครึ่งหนึ่งเศรษฐีกรุงรัชคลึกก็หาย่อไม่ดูก่อนพราดาพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายนั้นทรงมีปุเพรกระตะพุญาตาอย่างล้นเหลือ กุศลธรรมทั้งมวลที่พระองค์ทรงบำเพ็ญกระทรมาตลอดเวลาที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัติมารวมกันให้ผลในปัจฏิมาภพของพระองค์นี้ประดุดสายธารซึ่งยังเอ่ออยู่ในทานบและบังเอิญทานบพังลงอุทกะทาราก็ไหลหลากท่วมท้นดังนั้นไม่ว่าพระองค์จ ะ, สะเสด็จไปณที่ใดพระราชาเสนาบดีพ่อค้าประชาชนก็ต้องการถวายปัจจัยแก่พระองค์ จนถึงกับต้องแย่งต้องจองกันล่วงหน้าเป็นเวลานา น, า น, านอนาถพินติกาเศรษฐีเป็นผู้อันกุศลธรรมแต่ปางบันตักเตือนแล้วเมื่อได้ยินคำว่าพุทโธเท่านั้นปีติก็ทราบทราบไปทั่วสพางปรารถนาเหลือเกินที่จะได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลานั้นแต่บังเอิญเป็นเวลาค่าประตูเมืองปิดแล้วจิตใจของเขาจึงกังวล ถึงเรื่องที่จะเฝ้าพระาศาสดาไม่อาจหลับลงได้อย่างปกติเขาลุกขึ้นถึงสามครั้งด้วยสาคัญว่าสว่างแล้วแต่พอเดินออกไปภายนอกเรือนความมืดยังปรากฏป ก, ปกคลุมอยู่ทั่วไปคลานั้นความสะดุ้งหวาดเสียวและความกลัวก็เกิดขึ้นแก่เขาเขากลับมานอนระมึงถึงพระาศาสดาอยู่ด้วยความกระวนกะวายใจในที่สุดเวลาก็มาถึง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 เป็นการยากมากสำหรับคนขาดเศรษฐีเกือบจะหมดความพยายามมีหลายครั้งที่เขาจะถอยกลับเขาสู่เมืองแต่พอเขาหยุดยืนนั่นเองก็มีเสียงปรากฏขึ้นเหมือนกับว่าวาดแว่วมาจากอากาศว่าเศรษฐีมาตั้งร้อยช้างตั้งร้อยโคแพะแกะเป็ดไก่อย่างละร้อยอย่างละร้อยถ้าท่านได้เพราะถอยกลับเพียงก้าวเดียว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 เห็นอุปนิสัยของอนาถปินทิกาเศรษฐีว่าเป็นผู้ติดกวรแกรการบรรลุธรรมจึงทรงจงกลมคือเดินกลับไปกลับมาอยู่นะบริเวณที่ประทับมเมื่อเศรษฐีเข้ามาใกล้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าเข้ามาเถิดสุทัตตะตถาคตอยู่ที่นี่ ก่อนพระราดาถ้าดํารัตตัดเรียกเศรษฐีโดยชื่อว่าสุทัตต์โดยถูกต้องนั้นนําความปลาโมดมาให้เศรษฐีอย่างล้นเหลือเขาไม่เคยรู้จักภาษาสดาและพระาศาสดาก็ไม่เคยรู้จักเขาแต่พระองค์สามารถเรียกชื่อเขาได้อย่างถูกต้องเขาซบหน้าลงแทบปาดมูลแห่งพระตถาคตเจ้าและกราบทูลว่าข้าแต่พระสกยมุนี เป็นโชคดีของข้าพระพุทธเจ้ายิ่งแล้วที่ได้มาเฝ้าพระองค์สมปรารถนาพระองค์ผู้เจริญเมื่อคืนนี้ราตรีช่างยาวเสียเหลือเกินปรากฏแก่ข้าพระพุทธเจ้าเหมือนหนึ่งเดือนเป็นเวลานานเหลือเกินที่สัตว์โลกจะได้สดับคําว่าพุทธโธพุทธโธดูก่อนสุทธธัตตะผู้ตื่นอยู่ไม่ได้หลับย่อมรู้สึกว่าราตรีหนึ่งยาวนาน ผู้ที่เดินทางจุดมื่ยลาแล้วรู้สึกว่าโยธหนึ่งเป็นหุ่นทางที่ยืดยาวแต่สังสารวัตคือการเวียนเกิดเปลียนตายของสัตว์ผู้ไม่รู้พระสัตธรรมยังยาวกว่านั้นดูก่อนสุทัตตะสังสารวัตนี้หาเบื้องต้นเบื้องปลายได้โดยยากสัตว์ผู้พอใจในการเกิดย่อมเกิดบ่อยๆการเกิดบ่อยๆนั้น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 เมื่อรากยังมั่นคงแม้ต้นไม้จะถูกตัดแล้วมันก็สามารถขึ้นได้อีกฉันเดียวกันเมื่อบุคคลยังไม่ถอนตัณหานุสัสขึ้นจากดวงจิตความทุกข์ก็ย่อมเกิดขึ้นได้บ่อยๆสุทัตตะเอยน้ำตาของสัตว์ผู้ร้องไห้เพราะความทุกขโทบรสทับถมในขณะที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัดตาสงสารีมีจานวนมากเหลือคนานาสุดที่จะกล่าวได้ว่า มีประมาณเท่นันเท่นีกระดูกที่เขาทอดทิ้งลงทับถมปัตตภีโดนเล่าธนมามะกองรวมๆกันมิให้กระจัดกระจายคงจะสูงเท่าภูเขาบนพื้นแผ่นดินนี้ไม่มีช่องว่างเลยแม้แต่นิดเดียวที่สัตว์ไม่เคยตายปัตตภีนี้เคลื่อนกล่นไปเรื่อยกระดูกแห่งสัตว์ผู้ตายแล้วตายเล่าเป็นที่น่าสังเวชสลดชิดยิ่งนัก ทุกจ่างก้าวของมนุษและสัตว์เยียบย่ําไปบนกองกระดูกเข้านอนบนกองกระดูกนั่งบนกองกระดูกสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่บนกองกระดูกทั้งสิน้นดูก่อนสุทัตะไม่ว่าพบไหนๆล้วนจะมีลักษณะเหมือนกองเพลิงทั้งนั้นสัตว์ทั้งหลายดิ้นรนอยู่ในกองเพลิงคือทุกขเหมือนเต่าอันเขาโยนลงไปแล้วในกองไฟใหญ่ฉะนั้น ริยสัตย์ต่โดยย่อแก่ท่านสุทัตตจนเศรษฐีได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวในพลัตนาไตรและทรงย้ำในตอนสุดท้ายว่าดูก่อนสุทัตตการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์เป็นของยากการดำรงชีพอยู่แห่งสัตว์ทั้งหลายเป็นของยากการได้ฟังธรรมของสัตว์บุรุษเป็นของยาก และการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นของยากดูกรสุทธาตะเพราะเหตุนั้นการแสดงธรรมของสัตตบรุษก็ตามการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าก็ตามล้วนเป็นเหตุนำ ม, มาซึ่งความสุขความสงบสู่โลกดูกนผู้สืบอริยวงพระธรรมเทศนาของพระาศาสดานั้นไพเราะจับใจและแจ่มแจ้งยิ่งนักเพราะเหตุนี้ เมื่อพระองค์แสดงธรรมจบลงจึงมักมีผู้ชมเชยว่าแจมแจ้งจริงพระเจ้าข่าแจมแจ้งจริงเหมือนโรงหายของที่ควม่มเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทาง่องประทีปในที่มืดเพื่อให้ผู้มีตาดีได้มองเห็นรูปดังนี้อนาถปินฑิกะเศรษฐีหรืออีกนยัยหนึ่งคือสุทธาตะหาห บ, บดีซึ่งบัตรนี้ได้เป็นโสดาบันแล้ว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 เหมาะสำหรับเป็นที่สำราญพระอิริยาบถของพระตถาคตเจ้าและเป็นที่ตึกตรองทาอนลึกซึ่งสำหรับพระภิกษุสงฆ์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 เมื่อสร้างอารามเสร็จแล้วก็ถึงเวลาทําุ้มประตูเสถีดำริว่าเจ้าชายเชตากมีคนเคารพนับถือมากในพระนครสาวัตถีนี้ถ้ามีชื่อเจ้าชายอยู่ด้วยก็จะเป็นประโยชน์มากจึงให้ยกป้ายขึ้นชื่อว่าเชตวันแต่คนทั้งหลายมักจะต่อท้ายว่าอารามของอนาถปิณฑิกาเศรษฐีด้วยประการัชนี อันว่าเชตวันนี้เป็นอารามที่สวยงามที่สุดและใหม่ที่สุดอนาถปิณฑิกะให้สร้างวิหารห้องประชุมห้องเก็บของขุดสะใหญ่ปลูกบัวขาวบัวขาว บ, บัวหลวงบัวเขียวบานสะพร่างชูดอกสวยปลูกมะม่วงเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิมยังมีพันุไม้หลากหลายอีกเป็นทิวแถวที่ทําเป็นซุ้มเป็นพุ่มก็มีสะอาดสวยงามและพื้นรม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 และเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปดูก่อนอคันตุกะกล่าวเฉพาะอย่างยิ่งประการที่สองคือปุกละสัปายักษ์นั้นท่านอนาถปินฑิกะนอกจากจะถวายอารามแล้วยังบำรงพิสุสงด้วยปัจจัยอยงื่นอีกเช่นจีวร อ, อาหารและยารักษาโรคท่านจะไปเฝ้าพระาศาสดาทั้งเช้าและเย็นเมื่อไปในตอนเช้าก็จะนาอาหารเป็นต้นว่ายาขูและพัด เมื่อไปในเวลาเย็นก็จะนําน้ำปานะชนิดต่างๆไปเป็นต้นว่าน้ำพึ่งและน้ำอ้อยท่านไม่เคยไปมือเปล่าเลยด้วยละอายว่าภิกษุหนุ่มและสัมมเนนจะดูมือเมื่อไปเฝ้าก็ไม่เคยทูลถามปัญหากับพระศ า, าสดาเลยเพระทรงคิดว่าพระผู้มีพระภาคเคยเป็นกษัตริย์สุคุมารชาติและบัดนี้ก็เป็นพระพุทธเจ้าสุคุมารถ้าจะถามปัญหา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 ก่อนอคตุกขพระาศาสดาทรงทราบอัธยาศัยอันนี้ของเศรษฐีจึงทรงดารีว่าเศรษฐีนี้เกรงใจเราในฐานะที่ไม่ควรเกรงใจกวรวมเพญบา ร, รมีมาเป็นเวลายืดยาวนานเคยควักในตาตนเองเคยตัดทิศักะ์อันประดับประดาแล้วด้วยมงกุฎและเคยสละอวัยวะอื่นๆตลอดถึงชีวิตให้เป็นทานบารมีสิบ เราบำเพ็ญมาแล้วอย่างเข้มงวดและบริบูรณ์ก็โดยจุดประสงค์ที่จะขนสัตว์ในสงสารสาครขึ้นสู่ที่อันเกษมคือพระนิพานทรงดำริชนีก็แสดงทำแกเ่เศรษฐีพอสมควรทุกคลังที่เขาเข้าเฝ้าดูก่อรพงพันแห่งอารยะนอกจากท่านอนาณาักปินฑิกะแล้วยังมีคนอื่นอื่นอีกมากที่เคารพเลื่อมใสในพระาศาสดาและพระสู์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 พระกรรมโพชากล่าวขึ้นข้าพเจ้าเคยได้ยินชื่อเสียงของท่านเหล่านี้บ้างเป็นบางท่านแต่ไม่ทราบรายละเอียดถ้าท่านจะกรุณาอนุเคราะห์เล่าใก่ข้าพเจ้าบ้างก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งพระอนุนพุทธอนุชาได้เล่าเรื่องวิสาขามาหาอุบาสิกาเรื่องนางสุปวาสาโกลยัิดาเรื่องนางจินจมานวิกาและเรื่องอื่น ให้พระกัมโพชะฟังโดยละเอียดผู้สนใจติดตามได้จากเรื่องลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล วงมาไหลในความอุปถัมภ์ของพระพิสารพัฒนาธรพระมหาถาวรจิตตกถาวโรวัดปธุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครขออนุโมทนาสาธุการต่อผู้มีศรัทธาเจ้าของธรรมลิคิจคืออาจารย์วสินอินทสระที่มอบลิขสิทธิธรรมนิยายพระพุทธศาสนาซึ่งทางมูลนิธิได้ทรในรเทพเสียง เผยแร่ต่อสาธารณชนอยู่แล้วในขณะนี้รวม3ามเรื่องคือเรื่องลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาลเรื่องพุทธจริยาและเรื่องพระอนุ์พุทธอนุชาขอผู้สนใจได้ติดต่อสอบถามที่มูลนิธิหมายเลขโทรศัพท์2538822และ2530898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 เป็นกิเลสานุสัยอันติดตา ม, มาเป็นเวลาช้านานบางรูปซักแลยยอมชีวรนบางท่านกวาดลานพระวิหารและเตรียมอาคัรตุกะพันธ์ต่างชนิดเพื่อภิกษุต่างถินผู้จะเดินทางมาเฝ้าพระศาสดาทั้งหมดนี้เป็นไปโดยอาการสงบเป็นเครื่องนำมาซึ่งศรัทธาเลื่อมใสแก่ผู้ทศนายิ่งนัก เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้อนันต์ชินได้เสด็จผ่านมาภิสษุผู้นั่งอยู่ก็ลุกขึ้นยืนถวายความเคารพผู้เดินอยู่ก็หยุดเดินภิสษุผู้กำลังทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งก็หยุดงานไว้ชั่วคราวเพื่อแสดงอาการคาระวะและมองดูพระศาสดาด้วยสายตาอันแสดงถึงความเลื่อมใสลึกซึ้ง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 พระศาสดาเสด็จเข้าไปภายในกุฏิภาพที่ปรากฏน้ำเบื้องพระพักทำให้พระองค์สังเวชสุดประมาณภิกษุรูปหนึ่งในมัชฌิมวัยนอนนิ่งอยู่บนเตียงน้อยร่างกายของท่านนั้นปลุพุนไปได้วยรอยแผลมีน้ำเหลืองไหลยเยิม้มท่วมกายเตียงและผ้าของภิกษุรูปนั้นแปดเพื่อนเดืปุูโพโลหิตส่งกลิ่นขาวคลุง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 อาการเศร้าได้ฉายออกมาทางดวงหน้าและแววตาของพระอนนทผู้ประเสริฐและแล้วมเมื่อเหลียวมาศพระเนธซึ่งศาสแววแห่งพระมหากรุณาออกมาของพระาศาสดาอีกครั้งหนึ่งคลาทีนั้นความตื้นจันใจได้ท่วมหัไทยของพุทธสาวกจนเอิร์ลนออกมาทางดวงตาทั้งสองแล้วก็ค่อยไหลซึมลงอาบแก้มซึ่งแห้งและตอบเพราะอารุภาพแห่งโรคนั้น ดูก่อนติสากเธอได้รับทุกขเวทนามากหรือมากเหลือเกินพระเจ้าข่ามันนอนอยู่บนหนาเสียงซึ่งแหบเครือผ่านลำคอของพระติสากออกมาได้โดยยากเหลือเกินเธอไม่มีเพื่อนพรหมจารีหรือสหธรรมิกหรือสัตวิหาริกอันเตวาสิกคอยปฏิบัติช่วยเหลื อ, อยู่บ้างเลยหรือเคยมีพระเจ้าค่า แต่เวลานี้เขาทอดทิ้งข้าพระองค์ไปหมดแล้วทำไมยังเป็นอย่างนั้นเขาเบื่อพระเจ้าค่าเพราะข้าพระองค์ป่วยมานานและรักษาไม่หายเขาเลยพากันทอดทิ้งข้าพระองค์ไปอาการเริ่มแรกเป็นอย่างไรนะติดสะแรกทีเดียวเป็นต่อมเล็กๆประมาณธรรมเล็ดประกาศพุดขึ้นทั่วกายของข้าพระพุทธเจ้า แล้วค่อยๆโตขึ้นตามลำดับเท่ า, มาเมล็ดถั่วเขียวเท่ามะตูมแล้วก็แตกน้ำเหลืองไหลสรีระทั้งสิ้นก็เป็นรูเล็กรูน้อยสบงจีวรเปละเปลื่นเลือดไปหมดอย่างนี้แหละพระเจ้าค่ะทูลได้เท่านี้พระติสสะก็มีอาการหอบเล็กน้อยอ่อนเพลียไม่สามารถทูลต่อไปได้อีก ศาสดาและพระอนตน์เสด็จออกจากคุตินั้นไปสู่โรงไฟพระศาสดาทรงล้างหม้อน้ำาดยพระองค์เองพระอ น, นุนติดไฟเสร็จแล้ววางหม้อน้าไว้บนเตาทรงรอคอยจนน้าเดือดแล้วเสด็จไปหามเตียงพิษุ ข, ข่พระองค์จับด้านหนึ่งและพระอ น, นุ์จับอีกด้านหนึ่งหามมาสู่เรือนไฟพิษุหลายรูปเดินมา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 จึงนิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานพระศาสดาทรงให้กระทำชาปนากิจแล้วให้ก่อใจอ ด, ดีขึ้นเพื่อบรรจุพระาธาตุแห่งพระติสานั้น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 ควรพอใจช่วยเหลือกันตามฐานะและโอกาสน่าจะเป็นหน้าที่ของมนุษย์ผู้ได้รับการศึกษาดีแล้วลอกเสิจากว่าเขาผู้นั้นจะเป็นมนุษย์แต่เพียงกายและได้รับการศึกษาเพียงครึ่ ง, ง, ก, ลงกลางเท่านั้นอีกครั้งหนึ่งพระพุทธองค์มีพระ อ, อ น, นุ์เป็นปัจฉาสมณะสเสจไปตามเสนาสนะต่างๆทอดพระเนตรเห็นภิกษุอาพาธหนากรูปหนึ่ง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 พระอนุลยกเท้าแล้ววางลงบนเตียงนอนให้ฉันกีฬานะเพสสัตเท่าที่พอจะหาได้เย็นวันนั้นเองทรงให้ประชุมสงฆ์ปราลบข้อที่ภิกษุอาพาธไม่มีผู้พยาบาลได้รับความลาบากแล้วตรัสพระพุทธพท์ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอบัดนี้ไม่มีมาดาไม่มีบิดาถ้าพวกเธอไม่รักษาพยาบาลกันเองใครเล่าจะพยาบาล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 อันหนึ่งถ้าพิสูจ์ผู้ร่วมอุปัชฌายาอาจารย์เดียวกันไม่มีให้เป็นหน้าที่ของสงฆ์ที่จะพึงรักษาพยาบาลเธอจนกว่าจะหายอย่าได้ทอดทิ้งเธอไว้เดียวดายด้วยความสานึกในปพระพุทธวจนะนี้เองเป็นเหตุให้พิสูจน์ทั้งหลายแม้จะมาจากวรณะต่างกันตระกูลที่ต่างกันแต่เมื่อมาสู่พระธรรมวินัยนี้แล้วก็มีความรู้สึกต่อกันฉันพี่น้อง ซึ่งมีพระบรมศาสดาเป็นบิดามีธรรมวินัยเป็นมารดามองกันด้วยสายตาที่แสดงไมตรีมีพระราดอนภาพแพ้่ปกคลุมอยู่ทั่วร่มเงาแห่งกาสาวพัดนอกจากจะมีแต่เพื่อนพรมจารีแล้วพระราดอนภาพซึ่งอาบเ อ, อิบอยู่ในจิตใจของพระภิกษุทั้งหลายนั้นยังได้แพ้่ไปถึงสามัญชนทั่วไป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 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีใจแคบมองเห็นการกระทำดีของผู้อื่นด้วยสายตาที่ไปไว้วางใจคิดว่าเขาคงจะมีเจตนาไม่บริสุทธิ์อยู่เบื้องหลังคนที่ทําความดีโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนจะไม่มีอยู่ในโลกนี้บ้างเชียวหรือกระไรเราจะใจแคบจนไม่พยายามมองเจตนาดีของผู้อื่นบ้างเลยอีกครั้งหนึ่ง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 เจ็บปวดเล่าร้อนทั่วกายเหมือนถูกย่างบนหลุมถ่านเพลิงพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมพรรณนาความทุกข์แห่งสังขารอันมีผลสืบเนื่องมาจากกิเลสและกรรมของตนจนพระภักตุ์ะได้สำเร็จเป็นโสดาบัน รคีริมานันท h อาพาธหนักพระอานุนทราบเรื่องนี้แล้วทูลรัตนาให้พระศาสดาเสด็จไปเยี่ยมเนื่องจากพระพุทธองค์ยังทรงมีภารกิจบางอย่างอยู่จึงเสด็จไปไม่ได้แต่ทรงให้พระอ น, นุ์เปลียนสัญญาสิบประการแล้วไปสาธยายให้พระคีริมานันทะฟังพระอานนุ์ครั้นเปลี่ยนสัญญาสิบประการอย่างแม่นยำแล้ว ก็ไปสู่สำนัก ข, ของพระคิริมานันธาสาธยายสัญญาสิบประการให้ฟังโดยใจความดังนี้รูปคือก้อนทุกก้อนหนึ่งซึ่งประกอบขึ้นจากธาตุทั้งสี่ก่าวคือดินน้ำลมและไฟเป็นไปโดยจากสี่คือยืนเดินนั่งนอนอันรวมเรียกว่าอิริยาบถ ท, ทวารมีก้าวคือตาสองหูสองจมูกสอง ปากหนึ่งทวารหนักหนึ่งทวารเบาหนึ่งอันเป็นที่หลั่งไหลออกแห่งตัวปลวกคือสิ่งโสโครกต่างๆขีตาไหลออกจากตาขีหูไหลออกจากช่องหูทั่วสพางมีรูเล็กๆเป็นที่หลั่งไหลออกแห่งสิ่งโสปลกอันหมักห ม, มมอยู่ภายในพระาศาสดาจึงเปรียบรูปกายนี้เหมือนจอมปลวกบ้างเหมือนหม้อ ด, ดินบ้าง เวทนาคือความสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างและเฉยๆบ้างสัญญาคือความทรงจำได้ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสและโพธพารมณ์คือสิ่งซึ่งถูกต้องได้ด้วยกายสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งจิตให้เป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างเป็นกลางๆบ้างวิญญาณคือการรับรู้อารมณ์อันผ่านมาทางตา